ปัญญติวาระวาระว่ารวยบัญญัติณที่ไหนหนึ่งปราชิกกันคำถามคำตอบในปราชิกกันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปราชิกเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยณที่ไหนทรงปรารกใครเพราะเรื่องอะไรใครนำมาปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาราชิกเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภพระสุทินกลันทบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระสุทินกลันทบุตรเสดเมทุนธรรมกับอดีตพันยา ถามในปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปันณะบัญญัติอยู่หรือตอบในปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปันณะบัญญัติถามมีสัพพัทธบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพัทธบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอาสาธารณะบัญญัติอยู่หรือ ตอบมีสาธารณบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีอุพโตบัญญัติถามบรรดาพระปราติมโมขุเทศหอุเทศประชิกศีรขาบทที่1นงนี้จัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบจัดเข้าในนิทานุเทศนับเนื่องในนิทานุเทศถามมาสู่อุเทศโดืออุเทศไหนตอบ มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่สองถามบรรดาวิบัตสีอย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นสีและวิบัติถามบรรดากองอาบัตร7กองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตปาราชิกถามบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคยเกิดทางกายกับจิตม่จะเกิดทางวาจา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 พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้คือพระมหินทะพระอิติยะพระอุติยะพระสัมภะละถึงพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัยฉลาดในมักได้ประกาศพระวินัยปิดกไว้ในเกาะตามพะปันนิปราชิกสิกขาบทที่สองถามพระผู้มีประภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาราชิกเพราะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยนณะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะกรุงราชครื้ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระธนิยกลุ่มภการะบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระธนิยกลุ่มภการบุตรถือเอาไม้หลวงซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทาน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 พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปา ร, ราชิกเพราะความจงใจพระกายมนุษย์จากชีวิตเป็นปัจจัยณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารกใครตอบทรงปรารกภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฆ่ากันละกัน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 พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปา ร, ราชิกเพราะการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงเป็นปัจจัยนณะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปราบรคใครตอบทรงปรารคพวกพิสุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุ ม, มุธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกพิสุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธากล่าวอุดอุตริมนุสธรรมของกันละกันแก่พวกขรรหัดในประชิกสิกขาบทที่สีนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุธานแห่งอาบัตหสมุธานเกิดด้วยสมุธานสมสมุธานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตไม่เจอเกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตไม่เจอเกิดทางกาย 3. เกิดทางกายวาจากับจิตประชิกสี่ศึกขาบทจบ 2. สังขาทิเสษกันธาธิคำถามคำตอบในสังขาที่เสษกันเป็นต้นถาม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 เพราะการพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระเสยยะสกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระเสยยะสกะพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนถามในสุกาวิสัตถิสิกขาบทนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติ อนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบในสุกาวิสัตถิสขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุปปญัติไม่มีอนุปัปณะบัญญัติถามมีสัพพัทธบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพัทธบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอัสาธารณะบัญญัติอยู่หรือตอบมีอสาธารณะบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติ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 บรรดาวิปัสสีอย่างเป็นวิปัสส์อย่างไหนตอบเป็นศีลวิปัสสถามบรรดากองอาบัตเ7กองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตสังฆาทิเศษถามบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคยเกิดทางกายกับจิตไม่เชื่เกิดทางวาจาถามใครนำมา พระเถระทั้งหลายนำเสืบสืบกันมารายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยเสืบกันมาพระเถระเหล่านี้คือพระอุบาลีพระทาสกะพระโสนกะพระสิกวะและพระโมกคลีบุตรรวมเป็นห้ารูปเป็นผู้นำพระวินัยเสืบสืบกันมาในชมพูทวีปอันมีสิริจากนั้นพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้คือพระมหินทะ พระอิตยะพระอุติย ะ, พร ะ, ยะพระสัมภะละถึงพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัยฉลาดในมรรคได้ประกาศพระวินัยปิดอกไว้ในเกาะตามพระปันนี้ 2. กายะสังสักขสิกขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศปเพราะการถูกต้องกายกับมาทุกขามเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบ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 สามทุตุนลวาจาสิกขาบทถามทรงบัญญัติสังขาธิเสเพราะการพูดเกี้ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทัยถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทัยพูดเกี้ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ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 สเกิดทางกายกับวาจาไม่เชอเกิดทางจิต 4. เกิดทางกายกับจิตไม่เชอเกิดทางวาจา 5. เกิดทางวาจากับจิตไม่เชอเกิดทางกาย 6. เกิดทางกายวาจากับจิต 6. กุติการศึกษาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการสร้างกุฎีด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ขอมาเองเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณเมืองอาลวีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกพิษุชาวเมืองอาลวีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิกษุชาวเมืองอาลวีสร้างกุดีด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ขอมาเองในกุติการาสิกขาบทมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหกสมุทฐาน 7. วิหารการาศิกขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการสร้างวิหารใหญ่เป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกลุงมโกสัมีถามทรงประรรใครตอบทรงประรรท่านพระช น, นะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระช น, นะแผวถางพื้นที่สร้างวิหารได้สั่งให้ตัดไม้ลุกเจดีต้นหนึ่งในวิหารราราศิกขาบทนั้น มีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐาน 8. ปดถมทุตตะโทสิกขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลเป็นปัจจัยนณะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครื้ถามทรงปรารคใคร ตอบทรงปรารพระเมติยะและพระภูมิจักกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเมติยะและพระภูมิจักกะใส่ความท่านพระทัพพระมรบุตรด้วยอาบัติปราชิกไม่มีมูลในปฐมทุตตโทสะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 9. ทุติยทุตตะโท ส, ะสักขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศตเพราะการอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชคฤห์ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเมติยะและพระภูมิมัจฉกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พระเมตยะและพระภู ม, มิจักกะอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความท่านพระทัพพระมรบุตรด้วยอาบัติปรารชิกในทุติยะทุตตะโทสสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัติหสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสสมุธฐาน 10. ส, สังคเพทสิกขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการไม่ฉลากรรม จนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยแก่ภิกษุผู้ทำลายสง์ให้แตกกันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครื้ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเทวทัตถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเทวทัตพยายามเพื่อทำลายสง์ผู้พร้อมเพรียงกันในสังฆาเพทัสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบาต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคอเกิดทางกายวาจากับจิต 11. สังคสังเพธานุวัตกะศึกขาบทถามทรงบัญญัติสังคาทิเสเพราะการไม่สละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยแกลภิกษุที่ประพฤตตามสนับสนุนแกลภิกษุผู้พยายามทำลายสงณนะที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณนครุงราชครึ๊ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปประพฤติตามสนับสนุนพระเทวทัตผู้พยายามทําลายสงฆ์ในสังฆาเพทานุวัตกะสกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐาน คือเกิดทางกายวาจากับจิตสิบสองทุพจรศึกขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการไม่สละกรรมจนกระทั่งสงสวนสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยแกลภิกษุผู้ว่ายากณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงโกสัมพีถามทรงปรารพบใครตอบทรงปรารบท่านพระฉนนะถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระชนนะถูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมกลับทำตนให้เป็นที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้เนบุกพะจะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคอเกิดทางกายวาจากับจิต 13. กุลธูสกะศึกษาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศเพราะการไม่สละกรรม จนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยแก่ภิกษุผู้ประทุสรายตระีณ่าที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุผู้พระอัสชิและพระปุณพสุกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุผู้พระอัสชิและพระปุณพสุกะถูกสงลงปปพาช尼ยกรรม แล้วกลับกล่าวหาว่าผู้พิสูจ์ลำเอียงพราะชอบลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวในกุละทูสกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตเจ็ดเสกียกันคำถามคำตอบในเสกียกันละถึงเจ็ ปาทุกก ว, วักละถึงสิกขาบทที่สิบห้าถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติทุกกฎเพราะพิสุไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจระประสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิสุฉะพาี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสุชาพาคีถ่ายอุจระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ําลายบ้างลงในน้ําในสิก ข, ขาบทที่สิบห้านั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคอเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจากาถาปัญญติวาระที่หนึ่งจบ สอกระตาปฏิวาระวาระว่าด้วยต้องอาบัตเท่าไหรึ่งปราชิกกันคําถามคําตอบจํานวนอาบัตในปราชิกกันปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถามเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไร่ตอบเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัตสีอย่างคือ1ภิกษุเสดเมถุนธรรมในซากศพที่ยังไม่ได้ถูกสัตว์กัดกิน ต้องอาบัติปาราชิก 2. ภิพิุเสภเมถุนธรรมในซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินโดยมากต้องอาบัติทุนละใจ 3. ามพิษุสอดเข้าในปากที่อ้าแต่ไม่ได้ถูกต้องต้องอาบัติทุกกฎ 4. ภิพิสุนีต้องอาบัติปาจิตตีเพราะใช้ท่อนยางเพราะการเสภเมถุนธรรมเป็นปัจใจต้องอาบัติสี่อย่างเหล่านี้ปาราชิกศีกขาบทที่สองถาม เพราะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไร่ตอบเพราะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่า5มาศกต้องอาบัตปาราชิก2ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจลัก มีราคาเกินกว่าหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่า5้ามาศกต้องอาบัดทุนลใจสามถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีราคาหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่าหนึ่งมาศกต้องอาบัดทุกกฏเพราะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ประราชิษสีขาบทที่สถาม เพราะความจงใจผ่ากายมนุษย์จากชีวิตเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไร่ตอบเพราะความจงใจผ่ากายมนุษย์จากชีวิตเป็นปัจจัยต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. ขุดหลุมพรางไว้เจาะจงมนุษย์ว่าบุคคลชื่อนี้จะตกลงไปตายต้องอาบัตทุกกฎ 2. เมื่อบุคคลชื่อนั้นตกไปได้รับทุกขเวทนาต้องอาบัตทุนลใจสามเขาตายต้องอาบัตปาราชิก เพราะความจงใจพากายมนุษย์จากชีวิตเป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้พระชิกสิกขาบทที่4ถามเพราะการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงเป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. ภิกษุมีความปรารถนาชั่วถูกความอยากครอบงำ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 ปราชิก4ี่สิกขาบทจบสองสังขาที่เสศกันธาธิคำถามคำตอบจำนวนอาบัติในสังขาที่เสศกันเป็นต้น 1. สุขวิสัตถิสิกขาบทถาม เพราะการพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นปัจจัยพิสษุต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะการพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นปัจจัยพิสษุต้องอาบัตส3อย่างคือ 1. จงใจพยายามน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษสจงใจพยายามน้ำอสุจิไม่เคลื่อนต้องอาบัตทุลใจัย 3. ต้องอาบัตทุกกเพราะพยายาม เพราะการพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นปัจจัยพิกษุต้องอาบัตสอย่างเหล่านี้2กายสังสักขสิกขาบทถามเพราะการถูกต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะการถูกต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตห5อย่างคือ 1. ภิกษุณีมีความกำหนัดยินดีการจับต้องกายของชายผู้กำหนดบริเวณใต้รากขวัญลงมาเนื้อหัวเข่าขึ้นไป ต้องอาบัติปาราชิกสองิกษุใช้กายจับต้องกายต้องอาบัติสังฆาทิเศษสามใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัติทุนละใจสี่ใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัติทุกกฏห้าต้องอาบัติปาจิตติเพราะจี้ด้วยนิ้วมือเพราะการถูกต้องกายเป็นปัจจัยต้องอาบัติอย่างเหล่านี้ 3. ทุตุนละวาจาศิขาบทเพราะการพูดเกี้ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วอย่าเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งผู้ชมบ้างพูดติบ้างาพ้าพิงถึงทวารหนักทวารเบาต้องอาบัตสังฆาทิเศตสองผู้ชมบ้างพูดติบ้างาพ้าพิงถึงบริเวณใต้รากขวันลงมาเหนือเขาขึ้นไปเว้นทวารหนักทวารเบาต้องอาบัตทุนลใจ 3. ผู้ชมบ้างผู้ติบ้างภาพพิงถึงของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฎสอัตกรรมะปาริจริยาสิกขาบทเพราะการกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อนหน้ามาตุคามต้องอาบัตสังฆาทิเศตสอ กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบรัน덕ต้องอาบัตุนละใจัย 3. กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร้าของตนต่อหน้าสัตย์เดรฉานต้องอาบัตทุกกฏ 5. สัญญจริตะสิกขาบทเพราะการทำหน้าที่ชักสื่อเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตส3อย่างคือ 1. รับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษ 2. รับคาไปบอกไม่กลับมาบอกต้องอาบัตทุนและใจ 3. รับคาไม่ไปบอกไม่กลับมาบอกต้องอาบัตทุกกฎ 6. กุติการศึกขาบทเพราะการสร้างกุดีด้วยการขอเอาเองเป็นปัจจัยพิสุต้องอาบัตสมอย่างคือ 1. กํากำลังใช้ให้สร้างต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ยังเหลืออิติ ก, ก้อนหนึ่งจะเสร็จต้องอาบัตทุนละใจ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 ปฐมทุทตะโทสึกขาบทเพราะการใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลเป็นปัจใจภิกษุต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. ไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจรรย์จึงโจ์ต้องอาบัตทุกกฎ ก, กับสังฆาทิเศษสขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะดาจึงโจทต้องอาบัตเพราะกล่าวเสียสี 9.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 สังคเภททศคขาบทเพราะการไม่สละเรื่องนั้นจนกระทั่งสงสวนสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งเป็นปัจจัยภิกษุผู้ทำสงให้แตกกันต้องอาบัตสอย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบั ต, บ ต, ต, ออบตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตถุนละใจสา3จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษส1สังคเปทานุวัตกะศึกขาบท เพราะการไม่สละเรื่องนั้นจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบ3ามครั้งเป็นปัจจัยภิกษุที่ประพฤตตามสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงต้องอาบัตส3อย่างคือ 1. จบยาติต้องอาบั ต, บ ต, ต, ออบตทุกฏก 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศสสทุ ป, ปจัจสกขาบท เพราะการไม่สละเรื่องนั้นจนกระทั่งสงสวนสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งเป็นปัจจัยภิกษุผู้ว่ายากต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. จบญาติต้องอาบัตทุกกฏ2จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตถุลจสา3จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆาทิเศษสิสามกูลัูสกะสกขาบท เพราะการไม่สละเรื่องนั้นจงกระทั่งสงส่วนสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งเป็นปัจจัยภิกษุผู้ประทุสรายตรกูนต้องอาบัตส3อย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบั ต, บ ต, ต, ออบตทุกกฏ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตุนลจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษสังคาทิเศษสิบสสิกขาบทจบ เจเขียกันคำถามคำตอบจำนวนอาบัตในเสขยกันละถึง7ปาทุกกวัคละถึงศิขาบทที่15ถามเพราะการถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะการถ่ายอุจจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัย ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎเพราะการถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นบจดใจภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อต้องอาบัตหนึ่งอย่างนี้กตาปฏิวาระที่สองจบ 3. วิปัติวาระวาระว่าด้วยเป็นวิบัติ 1. ปึปราชิกการคำถามคำตอบวิบัติในปราชิกกัร ประาชิกศึกษาบทที่หนึ่งถามอาบัตเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาวิบัตส4อย่างจะเป็นวิบัติเท่าไรตอบอาบัตเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาวิบัตสี่อย่างจะเป็นวิบัตสองอย่างคือ1ศีลวิบัติออาจารวิบัตและถึงเเสขียะกันคำถามคำตอบวิบัตในเสขียะกัน ละถึง 7. ปาทุกวรกละถึงศึกษาบทที่15ถามอาบัตเพราะความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยบรรดาวิปัสสีอย่างจะเป็นวิบัติเท่าไร่ตอบอาบัตเพราะความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยบรรดาวิปัสสีอย่างจะเป็นวิบัติ์หนึ่งอย่าง คืออาจารวิบัสัติวาระที่สามจบสสังคหิตวาระวาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติหปราชิกกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัติในปราชิกกันปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถามอาบัติเพราะการเสดเมถุนรมเป็นปัจจัยบรรดากองอาบัติเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัติเท่าไหร่ ตอบอาบัตเพราะการเสเมถุนทำเป็นปัจจัยบรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตสี่กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตถุนลจัย 3. กองอาบัตปาจิตตีสี 4. กองอาบัตทุกกฎและถึง7เสขียะกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัตในเสขียะกันละถึง7ปาทุกกระวัต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 สังขหิตะวาระที่สจบ 5. สมุทฐานวาระวาระว่าด้วยสมุทฐาน 1. ปราชิกกันคำถามคำตอบสมุทฐานอาบัตในปราชิกกันปราชิกศิกาบทที่หนึ่งถามอาบัตเพราะการเสเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบ อาบาดเพราะการเสรเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือ เ, เกิดทางกายกับจิตไม่เชื่อเกิดทางวาจาละถึง7เสขียกันคำถามคำตอบสมุทฐานอาบาดในเสขียกันละถึง 7. ปาทุกตะวัคละถึงสิกขาบทที่15ถาม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 สมุทานวาระที่หจบ 6. อธิกรณวาระวาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์ 1. ปราชิกกันคำถามคำตอบอธิกรณในปราชิกกันปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถามอาบัดเพราะการเสดเมทุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาอธิกรณ์สอย่างจัดเป็นอธิกรณไหนตอบอาบัดเพราะการเสดเมทุนธรรมเป็นปัจจัย บรรดาอาธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์ละถึง 7. เสขียกันคำถามคำตอบอธิกรณ์ในเสขียกันละถึง 7. ป็ปาทุ ก, กะวัตรละถึงสิกขาบทที่15หถามอาบัดเพราะความไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยบรรดาอาธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอธิกรไหน ตอบอาบัดเพราะความไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจระประสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปจัจใจบรรดาอทธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรอาทิกรณวาระที่6จบ 7. สมถวาระวาระว่าด้วยระงับด้วยสมถะ 1. ปราชิกกันคำถามคำตอบสมถะในปราชิกกันปราชิกศิกษาบทที่หนึ่ง ถามอาบัดเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัดเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือหนึ่งสามุขาวิไนยัย 2. ปติญญาตการะณะ 3. สามุขาวิไนกับตินนวถาราะละถึง7เสคียะกัน คำถามคำตอบสมถะในเสขยีย์กันละถึง7ปาทุกก ว, วักละถึงสิกขาบทที่15ถามอาบัตเพราะความไม่เอือ้อเฟื้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ําลายลงในน้ําเป็นปัจจัยบรรดาสมถะเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเพราะความไม่เอือ้อเฟื้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ําลายลงในน้ําเป็นปัจจัย บันดาสมัฏฐาเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมถาสามอย่างคือ 1. สามุคขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. สมุคขาวินัยกับตินนวัารกะสมถาวาระที่เจจบ 8. สมุจยะวาระวาระว่าด้วยการสรุปรวม 1. ปราทิกันคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัตในปราทิกัน ปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถามเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะการเสดเมถุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัตสี่อย่างคือหภิกษุเสดเมถุนธรรมในซากศพที่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกินต้องอาบัตปราชิก 2. ภิกษุเสพเมทุนธรรมในซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินโดยมากต้องอาบัตทุนลจัย สาิกษุสอบเข้าไปในปากที่อ้าแต่ไม่ได้ถูกต้องต้องอาบัตทุกกฎ 4. ภิกษุณีต้องอาบัตปาจิตตีเพราะใช้ท่อนยางเพราะการเสพเมทุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัตสีอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจะเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่บรรดาสมุทานแห่งอาบัตหกสมุทาน เปิดด้วยสมุทฐานเท่าไรบรรดาอธิกรณสี่อย่างเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจ็อย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัสสีอย่างจัดเป็นวิบัติสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาราวิบัติบรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตสี่กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก2กองอาบัตทุนละใจ 3. กองอาบัตปาจิตตีีกองอาบัตทุกกฎบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห 6. สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาบรรดาอาธิกร4สอย่างเป็นอาปตาธิกรบรรดาสมถทะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถทะสามอย่างคือหนึ่งสามูขาวิไน 2. ปฏิญญาตกระณะ สามสามุขาวิัยกับตินนวัธารกะและถึง 7. เสขียกันคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัตในเสขียกันและถึง 7. ปาทุกกะวักและถึงสิกขาบทที่15ถามเพราะความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบ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 เกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างเป็นอธิกรณ์ไหนบรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัต์นั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจาราวิบัตบรรดากองอาบัตร7กองจัดเข้ากองอาบัตหนึ่งกองคือกองอาบัตทุกกฎบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุฐาน เกิดทางกายกับจิตมิเชื่เกิดทางวาจาบรรดาอธิกรณสี่อย่างเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สามมุขวินยัย 2. ปฏิญญาตะกระณะ 3. สามมุขวินัยกับตินนวถาระกะสมุยจะยะวาระที่8จบปัจญยวาระ8จบ โซรสะมหาวาระในมหาวิพังจบ